ค่าค่านายด่อนด้วยนะคะแต่ว่านายด่อนก็แหกปากร้องด้วยความกลัวจนแทบจะเป็นบ้าไปอีกสุดท้ายทางกรมพลตระเวนแล้วก็เจ้าพนักงานก็ทําการสืบสวนแต่ก็ไม่มีหลักฐานใดๆที่จะรู้ว่านายศักด์กับนายห้วดตายได้อย่างไรใครเป็นคนลงมือทำนะคะส่วนนายด่อนหลังจากวันนั้นก็หายตัวไปไม่มีใครพบอีกเลยผู้คนแถวละแวกที่ไฟหไหม้ภายหลังบริเวณนั้นก็ได้ชื่อใหม่ว่าท่าเตียน